ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมบพอโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาระสมาธิกวันก่อนหลายครั้งแต่นำข้อความในจุลักกรรมอุภังกระสูตรมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นการจำแนกกรรมโดยกำเนิด คืการเกิดมาที่แตกต่างกันของบุคคลโดยเฉพาะยิ่งขึ้นเน้นที่ตัวชนก ก, กรรมคือกรรมที่นำให้บุคคลมามาเกิดในกําเนิดต่างๆแล้วก็เน้นที่ความเป็นมนุษย์แตในขณะเดีวยวกันเราก็มีกรรมเป็นช่วงๆคือกรรมประเภทที่ เป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกิจกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันตามปกติแล้วพระพุทธศาสนาไม่ค่อยเน้นที่อดีตกรรมเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้จต่วันนให้รับผิดชอบในปัจจุบันกรรมโดยกำหนดทิศทางในอนาคตหมายความว่าผลที่จะเกิดที่จริงมันก็เกิดในอนาคต นาคตกลอนายคตไกลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะในการกระทาตรงนั้นก็ทรงแสดงไว้ทั้งสองช่วงคือช่วงที่ให้ผลระดับสูงทั้งส่วนกุศลและอกุศลที่นำไปสู่ทุกขติแล้วก็สุกติผลระดับรองลงมาก็คือเกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันโดยอายุโดยผิวพัธุ์โดยสกุลโดยศัก์สถานะโดยภูมิธรรมสติปัญญาเป็นต้นก็ในวันนี้จะนำเอาพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งคือเอาในยะนะฮะก็เรียกมหากรรมวิพันร์สูตรเป็นการจำแนกเรื่องกรรมขนาดใหญ่ก็ที่จริงก็มีสี่กรณีแต่ว่ามีความสลับซับซ้อน ก็ถ้าหากว่าหาเราจับอะไรไม่ ค, ไมค่ยได้มันก็เกิดความสับสนได้เหมือนกันในขณะเดียวกันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่ทำให้คิดถึงความคิดของบุคคลแห่งยุคสมัยท่านฟังคงนึกออกว่าตอนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศธรรมะที่ทรงสัจรู้แก่ชาวโลกตามคำรัตนาของสัมดีพรมนั้น พญามารได้มากราบทูลนราธนาให้เสด็จดับขันกันพนิพานแต่พระองค์ก็ทรงรับสั่งแก่พญามารให้ขวนขวายน้อยคืออยู่เฉยๆไปก่อนโอกาสหนึ่งพระองค์ก็จะเป็นนิพานเองนั่นก็คือหลังจากที่ทรงปฏิบัติภารกิจสี่อย่างให้เสร็จซะก่อนคือหนึ่งให้การศึกษาแก่พุทธบริษัท สให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักของศ ร, ร, รัทธมที่ตนศึกษามาดีแล้วลสามให้พุทธบริษัทได้ช่วยการเผยแผ่ชี้แจงแสดงประกาศพระศัทธรรมแก่บุคคลอื่นโดยวิจิตธิสรรันรยามใดที่มีป ร, รัภปวาทคือการกล่าวช่วงจากปิดเบือนใส่ใคราศาสนธรรมในพระพุทธศาสนา ก็ให้พุทธบริศัทสามารถแก้ไขประประวัติเหล่านั้นในยุติลงด้วยความเรียบร้อยเสียก่อนและเมื่อวันนั้นมาถึงก็จะเสด็จตับคันทัปนอนิภัณฑคือประเด็นสำคัญก็คือประเด็นที่4ี่คือถ้ า, ามองถึงการสืบสารอายุพระพุทธศาสนาของบุรพาจารย์บรรพชนในอดีตท่านจะออนไว้ในเรื่องาศาสนภัยมาก คนนี้ผงสังเกตในกรณีที่พระมหากรสปะได้นำมาประลบแล้วก็นำไปสู่การสังขายนาเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นเรื่องความไม่เคารพยำเกรงต่อศสัทธมจากปากของน้องตารูปหนึ่งเท่านั้นเองที่กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายตอนทราบข่าวการปรณิพาน์ของพระพุทธเจ้าใหม่ๆว่า ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจอะไรไปหรอกตอนนี้เราก็สบายแล้วเมื่อก่อนท่านมาสมณะท่านอยู่ท่านก็ว่ากล่าวตัเตือน จ, จําจีจำชัยคนนี้ควรแกเตือนทั้งหลายคนนี้ไม่ควรแกเตือนทั้งหลายาเราต้องประพฤติปฏิบัติตามพระองค์มันก็ลาบากไปนี้พระองค์นิพพานไปแล้วเราก็สบายนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะไม่ทำอะไรก็ไม่ทำ เป็นเรื่องใหญ่นะความคิดขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วถ้าหากไม่รีบแก้ไขประรับประวาดในลักษณะนี้ต่อไปก็จะเกิดเป็นอันตรายคือความเป็นพระพุทธศาสนาก็จะเลือนหายไปพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสกระแสของอารมณ์แล้วมักจะออกมาในรูปของสัญชาตญาณดิบๆ ด, ด, ด้วย ปริโยชที่โลกจะพึงได้จากศาสนาก็ไม่อาจจะได้จะเกิดความสับสนในหลักการประพฤติปฏิบัติพระมหาคสปะก็นำความหลาเนี้ย ม, มาเล่าให้พระรหันต์ทั้งหลายฟังท่านก็เห็นด้วยตกลงวระจัดที่มีการสังขยานากันหรือแม้แต่ข่าวสังเกนาครั้งที่สอง พระยศาสการกันดากบุตรเตืนภิกษุวัชีบุตรรับเงินทองนำมาแจกแบ่งกันด้วยมือตัวเองจะให้ชาวบ้านเอาเงินใส่ถาดเอาน้ำใส่ถาดไวก้ก่อนแล้วเอาเงินเทลงใส่ลงไปในถาดแล้วทานก็นับเอามานับแจกแบ่งกันก็ที่จึงเป็นการละเมิดพระอิ<ม>นนัยระดับอมบัดนิสุกีและปาจิตที แล้วก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอยู่ยเพียงนิดเดียวคือว่าจะรับก็ได้แต่ให้คนอื่นก็รับแทนเขาเรียกวุญยาวัจกรเป็นการประทานพรแก่ท่านเมญากศเศษีที่ญาติโยมถวายจะถุกปัจจัยแก่พระในปัจจุบันก็มอบหมายแก่วิญยาวัจกรมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ผลต่างก็โกลมีอยู่นิดเดียวคือว่าท่านไปลงมือรับเองเท่านั้นเองแต่ว่าพระหารทั้งหลายทั้งก็มองเห็นอันตรายก็สืบสาวไปแล้วก็ปรากฏว่ามีเรื่องถึงสิบข้อด้วยกันทีวิปราคล า, าเลื่อนไปจากพระวิ น, นัยแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกทีหนึ่งนะว่าข้อทีวิปราตรงนั้นมันเป็นปณิวัติวชะมันไม่ใช่เป็นบาปสากล เป็นระเบียบปฏิบัติในหมู่สมณะสัจจาบุตรเท่า น, นั้นเองก็เรียกว่าปณติวัชชาคือมีโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยแม้ท่านเป็นสา ม, มเณรก็ไม่ต้องอบัตนะคือไม่ขาดศีลมันก็จะต้องอบัตเฉพาะที่เป็นพระกับเป็นภิกษุณีเท่านั้นเองก็แสดงมาเจาะจงเฉพาะกลุ่ม แต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องชำระสัตว์สางเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในพระพุทธศาสนานี่เราบังมองถึงยุคสมัยในการต่อมาเปวยการณ์ต่างที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะเราเอาขนาดสุขโขทัยเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาอยู่ในความดูแลของสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะและปณทรงเป็นองค์เอกอัคราสนุปธรรมปณะต่างๆที่เกิดขึ้นกับศาสนธรรมก็ดีศาสนบุคคลก็ดีศาสนสถานก็ดีศาสนพิจีก็ดีพระมหากษัตริย์จะรับเป็นพระราชภารก็ไขกระจัดปัดเป่าปนเอาประสักด์กัมตลายเหล่านั้นก็โดยอาศัยพระราชอำนาจแล้วกำลังทรัพย์กำลังคน ก็มีมากพอที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้แต่พอเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ปศสองพันเจห้าเป็นต้นมาก็6กปีมานี่คือถ้าเราสังเกตให้ดีแล้วศาสนาภัยที่เกิดขึ้นจากภายในก็ดีภายนอกก็ดีผู้บริหารพระศาสนาไม่ได้เป็นตัวหลัก ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วเกิดความแปลกแยกออกไปเป็นอันมากในในหมู่พระที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสองสามฉบับด้วยกันเนี่ยมั่งมีความแตกต่างกันในรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ทำพระธรรมวินัยให้วิปริษไปจากหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอน เราก็สามารถกาะกลุ่มกันอยู่ได้ตั้งเป็นสายตั้งเป็นคณะตั้งเป็นเกือบจะเป็นลัฐที่ไปนะะแต่กม็มีใครเอาพระธุระทางๆ ท, ที่ในใบแ ต, แต่งตั้งสัญญาบัตรสมณศักดิ์ประกอบสมณศักดิ์เนี่ยมันมีข้อความที่บ่งบอกไว้ชัดเจนว่าขอพระคุณตัวรับรัฐพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์ครอบพระภิกษุสา ม, มนเณรในพระอารามโดยควรเถิดตอนนี้เราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นอธิกรณ์ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วกรอบกรอบข่ายคำว่าอาธิกรณ์ก็คือสิ่งที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีเป็นการกระทําโดยคณะบ้างโดยบุคคลบ้างโดยสงฆ์บ้างก็แล้วแต่ ก็หมายความว่ า, าศาสนทายาทหรือาศาสนบุคคลเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่ออัธิกรที่เกิดขึ้นเหล่านั้นและอัธิกรที่ถือว่าใหญ่มากเนี่ยก็คือกิจจาอธิกรเป็นภารกิจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหมาะควรแก่สถานะของความเป็นพุทธบริษัทนั่นคือการศึกษาการปฏิบัติ การเผยแผ่การดูแลรักษาศาสนาตามพระปณิธานของพระพุทธเจ้าแน่นอนพระองค์ไม่ได้ใช้คำว่าปณิธานหรอกมันเหมือนกับในนิราธ่าดินแดงของรัชกาลที่หนึ่งที่บอกว่าตั้งใจจุปธถรมพกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขบคันะสีมารักษาประชาชนและมนตรีเนี่ยคำว่าตั้งใจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพระราชปณิธาน ที่ต้องตั้งเอาไว้หรือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแขงมาชนชาวสยามเนี่ยในส่วนพระไทยของพระองค์เองก็คือเป็นพระรจชปณนิธานในส่วนที่เปล่งออกมาก็ถือว่าเป็นพระปฏิญญาหรือสัจจปฏิญญาสัจจปฏิ ญ, ญาณติประกาศให้คนอื่นเขาได้ยินในการศึกษาในลักษณะเนี่ยมันไม่ค่อยมี แน่ในขณะนี้จะมีการประรบถึงาศาสนาภัยในด้านต่างๆกันมากไลองสังเกตประมาณสี่ห้าปีมานี้โดยเฉพาะส่วนตัวตมาเองเนะได้รับไปนิ ม, มนต์ไปบรรยายบางทีในหัวข้อกว้า ง, างหัวข้อที่พลังสังขาธิการควรทราบหรือว่าพระพุทธศาสนาในศวตวรรษหน้าพระพุทธศาสนาในศตวตรรษหน้า อ, อะไรต่อไรเนี่ย ก็พยายามที่จะศึกษาประมาณการที่จะสถานการณ์ความรู้ศาสนาในโอกาสต่ อ, อไปด้วยความห่วงใยแต่ว่ามันก็จบลงที่เศษกระดาษก็อย่างดีก็โรเนียออกมาก็แจกแจกกันแล้วก็ไม่มีการอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่กเกิดออกมาที่เป็นรูปธรรม แต่ในประสูตรเหล่านี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยกตจริงเอมาก็เคยอ่านมานาน น, นนะควับกตจริงก็อ่านหลายเที่ยวแล้วแต่จริงก็ต้องพยายามไปพยายามจับประเด็นเพราะข้อความเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างละเอียดแต่เราก็ได้เห็นหลักหลักการหลายหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นเนติแบบแผนที่ พุทบริษัทในยุคหลังโดยเฉพาะที่เป็นภิกษุสามเณรอุปสมบทศิการเนี่ยจะต้องสนักและจะต้องมองถึงหลักการวิธีการเหล่านี้เอาไว้คือก็กล่าวในเบื้องต้นว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวลุวันกัลลันตะการนิวาปสถานคือที่กรุงราชคฤห์นะครับพระสมิทธิซึ่งเป็นพระหนุ่มๆบวชแค่สามปีา แล้วก็ไปเจอกับปริพาชก ค, คนหนึ่งชื่อว่าโปตาลิก็คุยกันในเรื่องต่างๆแล้วก็มาถึงประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านโปตาลิท่านก็อ้างว่าท่านฟังมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าว่ากายกรรมวจิกรรมในถือเป็นโมฆะถือว่าไม่เป็นการกระทํามันก็มีเพียงมโนกรรมเท่านั้น ท่านสมณนที่ก่อคัดค้านบอกว่าอย่ากล่าวตู่พระพุทธเจ้าอย่า ง, งานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่า ง, งานั้นหรอกไม่ได้รับสั่งอย่างนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือท่านบอกว่าบุคคลที่เข้าสมา บ, บัตโดยไม่ได้เสวยเวทนาอะไรเนี่ยก็มีอยู่นะซึ่งท่านก่อคัดค้านอีกแล้วก็ ท่านโปตลี่ก็สงสัยนะว่าท่านสมิธินี่บวชกกี่พรรษาแล้วรู้สึกว่าปกป้องภาษาสดาเหลือเกินพอสอบถามบรรษาโปตลีท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งไอ้ไม่ใช่พระสมิธิท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งบวชมาแค่สารรษาเท่านั้นเองทีนี้ท่านโปตอลี่ไปผ่าชกก็เห็นว่า พิสม่เข้าใจการระแวดระวังาศาสดาถึงอย่างนี้ท่านจะมีโอกาสพูดกับพระเถระได้ยังไงอยู่ขนาดว่าพระนมนุ่มเนอย่างใครไปแตะต้องาศาสดาไม่ได้แล้วต่อมาท่านก็ถามว่าบุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเขาจะเสวยอะไร สมที่ก็ตอบว่าสวยทุกเวทนาซึ่งเราจะเห็นว่าคําถามเนี่ยมันยังไม่ชัดคําตอบก็ตอบง่ายไปหน่อยคือในแง่ของความเป็นจริงในประเด็นของการตอบคำถามคําตอบคําถามเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าวิธีการเราต้องชื่นชมท่านนะฮะว่ามันแน่นอนว่าการพูดไปในแนวเดียวอยังไงเนี่ย ซึ่งคําถามเองไม่ชัดเจนประเด็นเองก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ไปยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นแสดงอย่างนี้ไม่เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าโดยข้อความที่ไม่จริงดังนั้นแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถอธิบายได้นะเพราะว่าท่านก็เพิ่งบวชแค่สามันสา เมื่อท่านโปทาริปริพาโชคฤิไปแล้วท่านสมิธิก็เข้าไปหาพระอนุลแล้วก็เล่าวความทั้งหมดให้ฟังพระอนุลก็เห็นว่ามันก็มีประเด็นมีเคราความที่น่าเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อสรงวินิจฉัยพระเจ้าทรงพยากรณไว้อย่างไงก็จะถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ในที่สุดทั้งสองท่านก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบถึงการที่ประสมิธิสนทนากับท่านโปทลิปริภาชกเนี่ยพ ร, พระพูทธมีประภาคเจ้าได้สัตย์ศาสตร์ให้พระโนโนท์ได้จุกคิดนะฮะเพแม้ความเห็นของปริภาชกชื่อโปทลินี่เราก็ไม่ศาช์ชัดฉะไหนจะทราบชัดกันสนทนาในป่านนี้ได้ เพรการที่สมิทธที่ตอปัญหาในลักษณะที่เขาเรียกว่าปัญหาในลักษณะเนี้ยคือก็คือแนวาการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่สีวิธีปัญหาในลักษณะนี้มันต้องแยกประเด็นเขาเรียกว่าเป็นวิพัฒน์ชวัฏคือการจําแนกประเด็นออกไปแล้วก็วิเคราะห์ไปตามสมอควรแก่กรณีคือจะพูดไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้อ่ะ อย่าในกรณีของกรรมกรายกรรมวรรกรรมมโนกรรมเนี่ยเคยจะเห็นว่าที่จริงมันสอดคล้องกันเจตนาซึ่งเกิดขึ้นที่จิตมันไม่เกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่วาจามันเกิดขึ้นที่จิตและการจะกําหนดเป็นกรรมเป็นกุศลเป็นอกุศลได้เนี่ยมันต้องมีเจตนาเกิดขึ้นไปในจิตเสียก่อนจะพูดถึงโคมโคคลในบุคคลเนี่ย ม, มันไม่ได้อ่ะ วการแสดงในแนวนั้นก็ไม่ถูกแต่ว่าเวลาตอบไปเองมันก็ไม่ชัดเจนถึงแม้แต่ว่าที่ก็บอกว่าบุคคลทํากรรมทางกายทางวาจาจงใจเนะทํากรรมทางวาจาทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยแล้วก็จะเสวยอะไรท่านบอกว่าทุทธกเวตนาไอ้นี่มันก็ไม่ได้อ่ะคือไม่ไม่รู้กรรมอะไรและเจตนาอี่เป็นยังไง เห็นวาไม่มต้องจำแนกแบ่งแยกหรือแม้แต่ประเด็นที่ว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่สวยเวทานาเวทานาอะไรๆนั้นมีอยู่มันก็ไม่ได้ชัดเจนนะว่าว่าในช่วงใดตรงไหนเป็นปัญหาที่จะต้องแบ่งแยกเขาเรียกว่าวิพุชะพยากรแต่ทีนี้ท่านสมิทธที่ท่านตอบในแนวเอกังสะพยากรคือพยาแพยากรไปโดยส่วนเดียว นแนวของพระเจ้าจะมีอยู่สามแนวสี่แนวอย่างที่ว่าเนี่ยแนวหนึ่งก็คือเขาเรียกเอกรังสรรพยากรณ์ไปการพยากรณ์ไปโดยส่วนเดียวเช่นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์กุศลให้ผลเป็นสุขเนี่ยโดยส่วนเดียวเลยเรื่องบาปบุญคุณโทษมันก็เป็นเขาพันอย่างนั้นความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายผู้มันย่อมหาทรัพย์ได้อะไรแต่ไเนี่ยมันลงตัวแต่แเ้าก็เป็นเราเขาอย่างนั้น ทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันไปไปพูดอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องมีการแบ่งแยกเช่นเช่นสมมติว่าถามว่าคนเราตายแล้วเกิดไม้อย่างเงี้ยมันต้องพูดกันก่อนว่าใครคือผู้ตายผู้ตายมียังมีกิเลสไห้ยังมีกรรมไหมหรือหมดกิเลสหมดกรรมแล้วเพราคนตายมันก็ตายทั้งนั้นนะเพียงแต่เรารียกให้แผ่ออกไปสันนั่นเองอย่างประหันตอนสิ้นลมท่านก็ที่จริงกคือตา ย, ยานะนรับ แต่เราเรียกว่านิพพานเพราะว่ามันเป็นการดับอย่างสิ้นเชิงคนตายทั่วไปเนี่ยก็เรียกสมมติมรณนะคนตายตายแล้วก็เกิดอีกดตายแล้วกเกิดตายแล้วกเกิดตายแล้วกเกิดตัวเนี้ยก็พูดให้ต่างกันเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าสื่อสารใน ค, คนทั่วไปในเราปอธิบายอย่างงั้นไม่ได้เราต้องว่าเรื่องนิพพานกันอีกเลยยุ่กันใหญ่เลย เพราะในตัวนี้มันต้องจำแนกแบ่งแยกและก็บางอย่างเนี่ยมันต้องถามถามว่าก่อนถามย้อนกลับไปก่อนคือเอาคำตอบของเขาเนี่ยมาเป็นคำตอบของเราเขาเรียกเอาผลไม้ป่าผลไม้อัดยายซื้อขนมยายไม้คอนเจกติวเจกเนี่ยคือเอาข้อมูลของเขานั่นเองแล้วก็ไปย้อนถามเขาแล้วก็มากลายมาเป็นคาตอบ ที่นี้อีกประการหนึ่งนั้นมันเป็นอยู่ที่พุทธิภาวะของคนแล้วก็ความปักใจความใจของคนความไม่พร้อมของคนรเนี่ยเขาเรียกว่าถับปัญญะก็คือนิ่งไว้ไม่ตอบไม่ใช่ไม่ตอบด้วยประการทั้งปวงนะฮะแต่จะไม่ตอบในกรณีของบุคคลในกาละในเทศะในกลุ่มคนบางกลุ่มหรือวิธีการบางวิธีการ วิธีการบางวิธีการมันตอบไม่ได้นะฮะเช่นโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นใช้แนวที่เขาตั้งคำถามมาในรูปยืนยันเขาเรียกว่าเอกังสาพยากรอนคือยืนยันว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราไปตอบอย่างอางื่นก็ไม่ได้เราตอบอย่างนั้นก็ไม่ได้เราถ้าจะให้ตอบมันต้องแบ่งแยกตอบแล้วก็ต้องนิยามมาก่อนคือหมายความต้องผสมผสานกันระวางถามไปก่อนแล้วก็แบ่งแยก แยกแยะออกไปเป็นประเด็นประเด็นนะแล้วก็วินิจฉัยไปตามสมควรแก่ประเด็นเว้นต่อพระองออกไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นแนวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าพระภิกษุแม้แต่อายุพรรษาอย่างน้อยแต่ก็ปกป้องาศาสดาแม้จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ตามนะว่าถูกต้องควรจะเป็นยังไงเราก็ยินใจท่านในประเด็นตรงนี้แต่ก็ชื่นชมท่าน ในประเด็นที่ท่านหวงแหนรักษาพระศาสนาไม่ต้องการให้ใครมาบิดเบือนใส่ใครซึ่งก็เป็นปฏิปทาหลักประการหนึ่งที่น่าเสียดายว่าทุกวันมันก็จางๆไปต้องฟังทังหลายแต่หลวงพพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วย เ, ลเวลาแห่งตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี